สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยห้าสิบเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบห้าพี่น้องครัพระเรจะ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูนั้นเราเข้ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ในบทที่สิบสองในเช้าวันนี้ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังเพื่อที่จะได้แบ่งปันกันในสองข้อด้วยกันนะครับในข้อที่สิบห้าและข้อที่สิบหกฮีบรูบทที่สิบสองข้อสิบห้าถึงข้อสิบหก โปรดฟังพรจนะของพระเจ้าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขืนงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปอย่าให้ใครเป็นคนลามกเพราะเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียว พ่น้องครับข้อที่สิบห้าสิบหกข้อนี้มีความสำคัญมากเหมือนกันในข้อสิบห้านั้นเป็นคำสั่งอีกแล้วครับก็คือจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านั้นก็หมายถึงเป็น grace of God นะครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้โดยที่ไม่สมควรได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาฟรี ที่นี่คนเขียนฮีบรูได้เตือนให้เราระวังตัวให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าคำว่าเสื่อมนั้นมีความหมายที่ทำให้เราเห็นว่าในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์นั้นเราต้องไล่ตามสันติสุขและความบริสุทธิ์ซึ่ง เป็นเรื่องสองเรื่องสำคัญที่เมื่อวานนี้ผมได้กล่าวไปแล้วแต่คำว่าเสื่อมนั้นมีความหมายก็คือว่าล้าหลังและเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายคำว่าล้าหลังหรือเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเป็นความหมายของคาว่าเสื่อมก็คือว่าเรานั้นไม่ได้ไล่ล่าหาความสุขหรือสันติสุขและไม่ได้ไล่ล่าหาความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้น ถ้าเราเปรียบเหมือนกับกําลังวิ่งแข่งขันวิ่งแข่งขันกันอยู่นั้นเราก็อาจจะเป็นคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนที่อยู่รอบข้างเราก็นํามาซึ่งสันติสุขการดําเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ก็นํามาซึ่งความบริสุทธิ์ส่วนตัวหากปรักจากสิ่งใดสองสิ่งนี้เราก็ไม่มั่นได้ตําแหน่งครับเราก็คงจะสอบตก หรือเราก็อยู่ในสภาวะเสื่อมเสื่อมจากพระคุณของพระเจ้าแท้จริงแล้วบางคนอาจจะถามว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมันเป็นมาตรฐานหรือยังไงผมอยากจะบอกว่าพระคุณของพระเจ้านั้นก็คือในส่วนหนึ่งนั้นเป็นมาตรฐานในส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับกําลังเป็นตัววัดเราว่าเรานั้นตกจากมาตรฐานของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พึ่งในพระคุณของพระเจ้า และดำเนินชีวิตไม่สมกับที่พระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเราไม่ได้แสวงหาหรือไล่ล่าความบริสุทธิ์และสันดิสุขทำให้เราตกจากพระคุณของพระเจ้าครับสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเราตกจากพระคุณของพระเจ้านั้นจะมีราคขมคืนงอกขึ้นทำให้เกิดความยุ่งยากและเป็นเหตุที่ทาให้คนไปนั้นมากมนทินไป นั่นหมายความว่าชีวิตของเราเมื่อเรากระทบกันและกันเมื่อเราเข้าใกล้กันและกันนะครับถ้าเราปล่อยให้มีความกระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วเราก็สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและนำมาซึ่งความเกินเลยเลยเถิดบานปลายเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเหตุให้คนเป็นนั้นมากอาจจะสะดุดหรือเป็นมลทินไปหรือเป็นความยุ่งยาก พี่น้องครับพระพีตอนนี้สอนให้เราระวังบอกว่าระวังจะมีรากขมขืนคนที่เสื่อมจากพระกุลของพระเจ้าคนที่แพ้หรือล้าหลังนะครับคนเหล่านั้นก็เป็นเหตุที่บอกเราว่ามันเกิดจากผลของคนที่มีรากขมขืนหรือค น, คนที่มีความขมขืนที่อยู่ในใจความขมขืนนั่นคืออะไรครับ ความขมขื่นนั้นเริ่มต้นจากการไม่พึงพอใจความขมขื่นนั้นเริ่มต้นจากการที่มีบางคนทําให้ตนตนไม่พึงพอใจมีบางคนในคริสจักรทําให้ตนเองนั้นมีความขมขื่นใจมีความรู้สึกผิดมีหลายสิ่งหลายอย่างในแง่ลบเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งหลายจะต้องระวังครับอย่าทําให้คนสะดุดอย่าทําให้คนที่มีความเชื่อน้อยเขาจะหลงไป ในขณะเดียการครับไม่เพียงแต่เขาลงไปนั้นความเจ็บใจความชอกช้ำระดับใจมันจะกลายเป็นรากขมขื่นรากขมขื่นนะครับขึ้นมาผมอยากจะเปรียบเทียบรากขมขื่นว่าเป็นเหมือนกับกาวฝากครับกาวฝากเมื่อมันขึ้นบนต้นใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่กําจัดรากขมขื่นหรือกาวฝากนั้นออกไปนั้นรากนั้นหรือกาวฝากนั้นก็จะค่อยๆเติบใหญ่ กินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ต้นนั้นในที่สุดกาวฝากก็จะชนะไม่เคยมีต้นไหนเลยครับที่กาวฝากแพ้พี่น้องครับรากขมขืนก็เส้นเดียวกันครับถ้ารากขมขืนงอกขึ้นมาในชีวิตของผู้ใดก็ตามจะสร้างความยุ่งยากและเป็นเหตุให้คนอื่นๆสะดุดทําความผิดบาปต่อไปความขมขืนจะงอกขึ้นมานะครับเหมือนกับเกาฝากหรือว่าจะพืชที่น่าเกลียด ทำลายชีวิตของเราเรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะได้รับอิทธิพลจากความขมขื่นของเราด้วยความขมขื่นขมขื่นของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะส่งต่อไปยังลูกๆได้หรือความขมขื่นของสมาชิกคนหนึ่งในคริสตจักรก็จะทําให้สมาชิกคนอื่นติดเชื้อความขมขื่นไปด้วยผู้เขียนฮีบรูนั้นจึงได้เตือนสติเรานะครับให้ระวังเกรงว่าความขมขื่นจะงอกขึ้นมาในใจของเราข้อต่อไปครับคือข้อ16 นอกจากเราจะต้องไล่การสันนิษฐ์และความบริสุทธิ์ข้อ16 บ, บอกว่าเราจะต้องระวังตัวให้ดีเกรงว่าจะมีคนทำผิดประเวณีนะครับเกรงว่าจะมีคนทำผิดประเวณีคาว่าคนที่กระทำผิดประเวณีนั้นมาจากภาษากรีกว่าพอนรอสพอนรอส p อออออนะครับพอนรอส ซึสมัยนี้คําว่า P.I.N.P. ก็คือพวกหนังสือโปครับเพราะฉะนั้นคําทั่วทั่วไปในที่นี้หมายถึงการทําผิดศีลธรรมทางเพศชัดเจนจะหมายถึงการทําผิดประเวณีก่อนแต่งงานก็ได้หรือการทําผิดประเวณีหรือการทําผิดศีลธรรมทางเพศอย่างอื่นๆนะครับก็ได้ในขอบเขตที่กว้างกว่าหมายถึงว่าการทําผิดประเภทในทุกๆรูปแบบเราถูกกําชับนะครับพี่น้องเราถูกกําชับให้ไล่ล่าหาความบริสุทธิ์ ต้องระวังครับที่จะไม่ทำผิดประเวณีถามว่าทำไมคนทำผิดประเวณีแล้วมีปัญหาเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าการทำผิดประเวณีนั้นเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ระดับไหนครับเป็นร ะ, ระดับที่แก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ไม่ได้ไหมายคำว่ากลับใจใหม่ไม่ได้รับการอภัยไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่แก้ไขไม่ได้หมายว่าทำไปแล้วต้องรับผิดชอบนะบ อย่างตัวอย่างบาปบางอย่างเช่นการเป็นโรคเออดนะครับเพราะเนื่องจากว่าการไปล่วงประเวณีทาให้เกิดโรคเอดเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันถอยหลังกลับไปแก้ไขไม่ได้ครับหรือทำให้ผู้หญิงท้องก็เหมือนกันครับโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้พี่น้องครับบาปของการล่วงประเวณีหรือบาปทางเพศนั้นเป็นบาปที่รุนแรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า นำมาซึ่งความหายเนะนำมาซึ่งความโศกเศร้านำมาซึ่งการแก้ไขอะไรต่อไปไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวครับก็คือต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับเพิพ่มพียกเอซาวครับนะเอาวเป็นคนที่ขายสิทธิทหัวปีของตนนะเพราะเอซาวนั้นไม่รู้จักว่าเขานั้นควรทาไม่ควรทาอะไร เขาจะต้องรักษาอะไรเป็นที่หนึ่งและเขาจะต้องเก็บสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าตามเชื้อสายและสืบต่อไปเขาไม่เข้าใจและเขาไม่ยอมทำตามพี่น้องครับพังพีชังว่าเป็นคนที่ประมาทอย่างเอซาวนะเป็นคนที่ประมาทอย่างเอสาวพังพีบังเล่มแปลว่าเป็นคนผิดธรรมะ เหมือนอย่างเอสาวคำว่าประมาทนั้นมีความหมายว่าความอัรรมครับหรือการผิดธรรมะหรือความละโมบโดยทั่วไปเพียงครับเมื่อเราพูดถึงความประมาทอย่าลืมนะครับความประมาทนั้นเป็นสาเหตุของการทำบาปเยอะแยะมากมายครับนำไปถึงความตายได้เอสาวได้ขายสิทธิทหัวปีและย่ายาวของตน สิทธิที่ดีที่สุดของตนแลกกับการตอบสนองความต้องการเนื้อหนังครับเขาเพิกเฉยต่อเกียร์ระยะยาวซึ่งจะตกเป็นของเขาเพื่อเห็นแก่ความพึงพอใจแค่ประเดี๋ยวเดียวเช่นเดียวกันครับพี่น้องคนที่ลงประเวณีก็เหมือนกันครับมีความพึงพอใจเพียงประเดี๋ยวเดียวแต่ผลที่เขาทานั้นมีผลระยะยาวมากที่สุดคําเตือนสติตรงนี้นะครับก็ยังทันสมัย มาจนทงถึงทุกวันนี้ก็คือว่าเราต้องไล่ตามความบริสุทธิ์เกรงว่าเราจะตกลงไปในหลุมพรางแห่งความทะเยอทะยานความทเถยทะยานอันมืดมิดอันมืดบอดของชีวิตโดยขายสิต ท, ที่หัวปีสิทธตที่บุตรหัวปีทิ้งทําให้เขาไม่ได้รับผลระยะ ย, ยาวซึ่งเป็นความที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับจงไล่ตามความบริสุทธิ์อย่า ตกลงไปในหลุมพรางครับอย่าขายสิทธิ์อย่าขายสิทธิ์ที่บุตรวัวปีอันเป็นบำเหน็จในสวรรค์ระยะยาวของเราโดยแลกกับความพึงพอใจกางเพศหรือทางอะไรก็ตามชั่วคราวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและเสริมกำลังพี่น้องอาเมน